ไม่นุ่งผ้าหรือไม่ห่มผ้าอาบน้ำต้องอาบัดทุกกดในขณะที่อาบอาบเสร็จแล้วต้องอาบัดปาจิตติ